ทำไมสแสวงหาคนจริงใจแต่ไม่เคยได้เจอถามสแสวงหาคนจริงใจแต่ไม่เคยเจอต้องทําบุญอย่างไรถึงจะได้เจอคนจริงใจตอบถ้าคิดว่าโลกนี้เป็นโรงละครที่เรากําลังรับบทโต้ตอบ ก, กว่าตัวละครอื่นๆ บางคนก็เหมือนโดนผู้กำกับแกล้งให้รับบทหนักต้องร้องไห้ช้ำใจเพราะถูกหลอกอยู่บ่อยๆยิ่งนึกว่าจริงใจด้วยก็ยิ่งต้องพบความจริงในภายหลังว่าที่แท้เขากะเล่นไม่ซื้อตั้งแต่ต้นจะในเกมความรักหรือเกมธุรกิจก็ตามก่อนอื่นขอให้มองว่าพื้นฐานของมนุษย์เป็นไปในทํานองเดียวกันคืออยากเอาเข้าตัวแต่ละคน เริ่มคิดออกมาจากจุดนี้ความแตกต่างขึ้นอยู่กับใครจะถูกอบรมให้มีโมโนธรรมต้านทานความเห็นแก่ตัวมากน้อยเพียงใดถ้าคุณมองว่าการมีใจจริงหมายถึงการซื่อสัตย์รักเดียวใจเดียวไม่แปรผันเป็นอื่นก็ต้องเห็นให้ซึ้งซะก่อนว่าใจจริงสร้างขึ้นด้วยอะไรหรือใจจริงมาจากไหนอย่ามองด้วยความคาดหวังเพลินเินว่าโลกนี้มีใครคนหนึ่ง ถือกำเนิดเกิดมาพร้อมกับมีใจจริงติดตั้งไว้ในตัวสําเร็จรูปทุกคนต้องผ่านสัญชตาตญาณเอาเข้าตัวมาก่อนเริ่มตั้งแต่ร้องอ้อแแอขอข้าวแม่กินเป็นต้นมาพอโตขึ้นเรื่อยๆแต่ละคนพบสิ่งน่าชอบน่าชังมากมายนอกจากนั้นยังเจอสอนให้เอาแต่ได้บ้างเจอสอนให้เสียสละบ้างในที่สุด ทุกคนจะไปถึงจุดของการตัดสินใจว่าจะมีชีวิตแบบไหนคิดเอาหรือคิดให้เป็นหลักคนที่ตัดสินใจว่าจะคิดเอาเป็นหลักนั้นนึกถึงใจคนอื่นมากกว่าใจตัวเองไม่เป็นหรอกครับพอเขาได้สิ่งที่ต้องการเขาก็พร้อมจะสลัดเราทิ้งไม่ว่าคุณจะเป็นคนรักหรือหุ้นส่วนธุรกิจของเขา คราวนี้ลองคิดดูว่าโลกกำลังเต็มไปด้วยคนคิดเอาหรือคนคิดให้มากกว่ากันถ้าพูดกันแบบไม่อ้อมค้อมก็คือโลกนี้เต็มไปด้วยคนคิดเอาจะมีสักกี่คนที่คิดให้ดังนั้นคุณจึงกำลังสแสวงหาสิ่งที่หาได้ยากประมาณเข็มในมหาสมุทรวิธีที่จะเจอคนจริงใจกับเราไม่ว่าในด้านความรักหรือธุรกิจ จึงต้องไม่ใช่ด้วยความบังเอิญทำนองเดียวกับที่ไม่มีใครงมเข็มในมหาสมุทรเจอโดยปราศจากเครื่องช่วยซึ่งในที่นี้ก็คือกรรมนั่นแหละครับคุณต้องเข้าใจหลักกรรมข้อหนึ่งคือเมื่อให้สิ่งใดย่อมไม่สูญเปล่าต้องมีการสะท้อนตอบเป็นการได้รับสิ่งนั้นคืนมาเสมอฉะนั้นตอนนี้อยู่ในช่วงรับความไม่จริงใจ ซึ่งเราเคยทำไว้กับใครมาก่อนก็ช่างเถอะเอาเป็นว่าขอให้สร้างเหตุสร้างเครื่องช่วยให้เราไปพบกับคนจริงใจในการข้างหน้าคือพยายามจริงใจกับคนอื่นโดยไม่ยอ่อท้อก็แล้วกันถ้าคุณซื่อกับคนอื่นไม่คิดหลอกคนอื่นได้ทั้งชาติชีวิตนี้คุณจะมีใจที่สะอาดของตัวเองเป็นเพื่อนแท้และพบต่อไป คุณจะไม่ถูกกรรมเวียงไปอยู่ในหมู่คนอสัตย์หมายเหตุอสัตย์ในที่นี้ก็คือไม่ซื้อสัตว์นะครับอีกประการหนึ่งถ้าคุณต้องการหาเข็มในมหาสมุทรให้เจอก่อนตายคุณไม่ควรรู้แค่ว่าเข็มมันอยู่ในมหาสมุทรคุณไม่ควรดดตุ่มลงไปเฉยๆตรงไหนก็ได้ก่อนอื่นคุณควรสืบให้พอรู้เป็นเขาเป็นแนวว่าเข็มน่าจะหล่นอยู่ในย่านใด เราค่อยใช้ความจริงใจดำดิ่งลงไปค้นหาจึงจะพอมีสิทธิ์เจอกันได้ขอให้พิจารณาดูปัจจุบันเรามีอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งพบปะสังสรรค์กับผู้คนมากหน้าหลายตาพอจะหาคู่หาความรักหาความจริงใจเราก็มักตระเวนไปตามเว็บบอร์ดหรือห้องสนทนาที่มีชื่อตรงตามเกณฑ์นั้นๆเช่นเว็บหาความรักหรือห้องหาคนจริงใจ ลองดูเถอะว่าโอกาสจะได้เจอนั้นมีมากน้อยแค่ไหนเสื้อหิวย่อมรอตะครุบกวางตามแหล่งน้ำชันใดชายเจ้าเล่ย่อมดักรอสาวหน้าซื่อตามแหล่งถามหารักฉันนั้นบางทีที่เราไม่เจอสิ่งที่ต้องการก็เพราะเราสแสวงหาผิดที่เราคาดหวังว่าคงเจอคนจริงใจตามบ้านใกล้เรือนเคียงตามอาคารสำนักงาน หรือตามสถานบันเทิงนั่นก็อาจเป็นไปได้แต่ยากหน่อยเพราะตามความน่าจะเป็นเรามักเจอคนธรรมดาที่คิดเอาเข้าตัวกันโดยมากทำไมไม่ลองมองว่าคนจริงใจควรอยู่ตามงานบุญตามเว็บธรรมะหรือห้องสนทนาเรื่องศีลเรื่องธรรมะไม่ต้องกลัวว่าตามงานบุญหรือตามแหล่งกิจกรรมธรรมะทั้งหลายจะชวนคุณคุยเรื่องหลุดพ้นลูกเดียว และในอีกทางหนึ่งก็อย่าหวังว่าจะพบแต่คนดีๆในงานบุญหรือแหล่งกิจกรรมธรรมะแต่อย่างน้อยก็ให้คิดซะว่าโอกาสจะเจอคนดีๆควรมีมากกว่าแหล่งกิจกรรมเพื่อความสนุกฉาบช่วยทั้งหลายถ้าได้ยินคำว่าธรรมะแล้วร้องกับตัวเองว่ายีหรือน่าเบื่อจังก็ขอให้ทราบว่าคุณยังไม่ได้ต้องการความรัก คุณยังไม่ได้ต้องการความจริงใจเป็นเรื่องเป็นราวเพราะคุณจะเจอคนจริงใจได้ในหมู่คนมีธรรมะเท่านั้นและเมื่อได้คลุกคลีกับธรรมะมากพอคุณจะพบว่าธรรมะไม่ได้มีแต่ภาพกักบริเวณตนเองเพื่อหลุดพ้นจากกิเลสคุณจะเห็นโลกในอีกมิติหนึ่งคือไม่ใช่เอาแต่มองหารูปเสียงน่าชอบใจภายนอกแต่จะเริ่มสแสวงหาความรู้สึกแสนดี หน้าครอบครองอันเป็นภายในคุณจะตระหนักว่าความรู้สึกแสนดีไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญต้องมีวิธีอะไรอย่างหนึ่งหรือหลายๆอย่างทำให้มันเกิดขึ้นเช่นกำหนดกรอบไว้ว่าจะไม่ปล่อยให้ความโลภและความโกรธทยานแรงขึ้นถึงระดับที่จะกระทาการอันเป็นความเดือดร้อนของคนอื่น เมื่อรู้สึกตัวเองว่าเป็นความปลอดภัยให้คนอื่นได้คุณก็จะรู้สึกถึงความไม่เดือดเนื้อร้อนใจของตนเองด้วยจากนั้นขยับขึ้นไปอีกเช่นรู้จักสละสิ่งที่คุณมีให้คนอื่นทั้งที่ไม่จำเป็นต้องให้คุณจะลืมคำว่าให้ทำไมให้โง่แต่จะพบคำใหม่ในหัวตัวเองคือทำไมมัวโง่ไม่ให้มาสักตั้งนาน คุณจะรู้ว่าการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนนั้นเป็นสุขและคุณก็อาจจะรู้ว่าในที่สุดแล้วการเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนนั่นเองจะพาคุณไปรู้จักกับคนประเภทเดียวกันโดยวิธีใดวิธีหนึ่งในวันใดวันหนึ่งสรุปคือถ้าสแสวงหาควรจริงใจอยู่และยังไม่เลิกย่อท้อก็ขอให้ปลูกฝังความซื่อสัตย์จริงใจ ให้เกิดขึ้นในตนเองก่อนและพยายามรักษามันไว้จนลมหายใจสุดท้ายพอเชื่อได้ว่าอย่างน้อยมีคุณคนหนึ่งในโลกที่ซื่อสัตย์และจริงใจจะได้ไม่ต้องไปแสวงหาคำตอบจากที่ไหนว่าคนซื่อสัตย์และจริงใจมีอยู่แต่ในนิทานหรือมีตัวตนอยู่ในโลกความจริงนี้ด้วยนอกจากนั้นถ้าจะแสวงหาก็ควรแสวงหาในที่ที่มี อย่ามัวเสียเวลาไปแสวงหาในที่ที่ไม่มีผมให้คำรับรองไม่ได้ว่าคุณจะเจอเมื่อไหร่แต่เชื่อมั่นว่าวันหนึ่งคุณจะได้เจอครับด้วยกรรมและความเข้าใจที่ถูกต้องนั่นเอง